สิกขาบทที่สิบสามถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ไม่มีผ้ารัดถันเข้าหมู่บ้านณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งไม่มีผ้ารัดฐานเข้าหมู่บ้านในสิกขาบทที่13นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจา มิใช่เกิดทางจิตสองเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาละฉัตตุปาหนวัคที่เก้าจบขุทธกะสิกขาบทเก้าวักจบ